กาปฏิบัติธรรมะในจุดสำคัญมันคืออันใดวันเสารนวานสมัยอยู่บ้านอ้อนะบัดเนี้ยก็ผมเป็นคนโง่ครับบ่ได้เรียนหนังสือในจำเป็นก็ต้องบอกซื้อมีพระอาจารย์มหากับทิศิษย์นี่แหละว่าเป็นพระนมหลวงปู่กาหลวงปู่วัดสี่คนแล้วกับผมนี่อยู่ํากรรรมถามมันมันไม่จุดสำคัญยังไง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 เมื่อติดเราแล้วเราจะยั่วเขาได้หรือว่าบอกเขาได้ทาได้เห็ดไดยังซีเขาอยากจะเห็ดนําเราได้ปัญหามันมีเพียงแค่เดียวว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวยาวค่าสองข้อมือและไม่ยาวอีกต่อไปและไม่สั้นอีกต่อไปเท่าเดิมเสมอตัวนี่ ปัญหามันจุดนี้แหละพอให้เข้าใจไว้เรื่องอาการเกิดดับบอสเซเมนว่าคิดนี้มันเกิดนี้มันดับนี้หูได้ยินมันเกิดมันตรงเขาไปถึงจิตใจมันดับอ น, นันเขาสอนกันอยู่ก่อนแล้วเรื่องนี้เขาสอนกันอยูก่ก่อนบอไม่จุดพระพุทธเจ้าสี่จุดอาจารย์องค์อื่นสีมาถ้าหากผู้ใดไปซักไปก้าวเอาคาสอนอาการเกิดดับ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 เห็นว่าเจ้าของบวชมาซีว่าเจ้าของได้ปฏิบัติหลักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วนั้นถูกอยู่ถูกเพียงแค่สมมุติบมินถูกเงือแท่ฟัญหามันมีเพียงแค่นี้ครับเท่าที่ผมคิดมาอยู่เป็นเวลาหลายมือหลายวันหลายปีหลายเดือนที่มายุ่ร่วมกันเนี่ยเรื่องประสบกับอาการการปฏิบัติธรรมะนั้นเราให้ครูบาอาจารย์รือว่าไม่ออก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 ให้รู้จักรูปนามแล้วก็ต้องให้รู้จักรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกเมื่อรู้จักรูปธรรมนามธรรมรู้จักรูปโลกนามโลกแล้วให้รู้จักพุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดดับเมื่อรู้จักพุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดดับแล้วให้รู้จักสมมุติสิ่งที่สมมุติขึ้นในโลกที่เราติดกันอยู่โดยวัตถุทุกวันนี้แหละสิ่งที่สมมุติทุกอย่างให้รู้จักให้ทั่วถึง เมื่อรู้จักสมมุติย่างโทวถึงแล้วนะที่กระตุ้งให้รู้จักหลักพุทธศาสนากับศาสนาศาสนาคืออย่างพุทธศาสนาคืออย่างและให้รู้จักบาปบุญเรานี่แหละ เ, เมื่อรู้จักจุดนี้แล้วเราต้องแนะกันให้เบิ่มคิดซีเข้าไปหาคิดเลยบรดเดี๋ยวมันคิดท้ายกับสร้างคิดดีกับถาม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 มนออกพอออกที่อยู่รวมกั น, นการปฏิบัติธรรมะก็ไ่เหมือนกันผมก็สังเกตเบิ่งอยู่บางคนก็เอาไ ด, ด้บางคนก็พอไปพอมาบางคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้าเพาะะืเ่อว่าเฮ็ดลายเพะะื่บดายเมื่อยเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคอันนี้เพะะื่อว่าเป็นอย่างไรต่อไปนี้นะเมื่อเอาจิตดูจิตเข้าไปนี่เราไปประสบอกกับประมาทบันเนียจิตใจเราจะสบายขึ้นมา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 ฟังดูเพราะหูทุกองค์แมนทุกองค์บ่ผิดจากองค์แล้วแต่นิสัยอาจะรสอนไปไพมีความรู้ย่างใดต้องสอนไปอย่างนั้นไพทนัดไปย่างใดต้องสอนไปอย่างนั้นแต่ผมนั้นวิธีพุทธโพผมก็ได้ทำมาวิธีอัลหังผมก็ทำมาวิธีพองยุกผมก็ทามาบัดมาทำวิธีตีงนิ้งนี่แหละผมก็เลยมาตัดค่มว้าวของอาจารย์ออก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 เอาแหละเท่าที่ได้เล่ากันมาวันนี้ก่อนนึกว่าพอสมควรจะเน็ตนื่อยไปผู้นั้นกันนะเออขอพูดอีกย่างเล็กน้อยหนึ่งครับหลบกวรเวลามาหลายพอสมควรแล้วก่าห่วกเขามันส่งดีหน่อยหนึ่งคือว่าในการทีหลวงพ่อเพื่อนได้ว่าประวัินี่อ่าผมกับเพื่อนอาจารย์มหาบัวทองแล้วก่ า, าคณะครูบาอาจารย์ ได้พย า, ยามขอร้องให้เพื่อนหลวงพ่อเบ้าประวัติให้พวกนักปฏิบัติเท่าได้ทราบอย่างแจ่มแจ้งแน่เมื่อเสานี้ก็เบ้ามาแน่แล้วแต่ว่ามันกาเพื่อนบริอาเตรียมตัวก็เลยบันทึกเทปไวก้กะมนี่การขาดขาดโตกโต๊กแต่ก็กกอยากให้เพื่อนเนียนนักใ น, ในเรื่องของการปฏิบัติสําหรับของเพื่อนตกลงกับเพื่อนก็เลยรับปากว่าทีเบ้าตอนแรง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 แล้วก็มาปฏิบัติอยู่นําเพิินแต่ก่อนกับโมหูนาหูโม้ อ, อยังดอกพ่องู ป, ป่างม ง, งูเส้าเสพีกายนี่ก็มาเบอกถ้ า, ถา ม, มาเด่งหนาเด่งหลังอยู่กับมองนี่ละเป็นเวลาอยู่เจดแดมือแล้วก็ไปเป็นยังสัน่นจกักเอาไอยังดอกไปสอนให้เจ้าก็ไดหากเอาไปอยู่พบบ่อบรนันวันต่อไปชักลากเนี่นตาบอดสอดลูกเป็นคนอวดอวดดีมันก็เลยไปกันเรื่อยๆก็เลยบอท่านหินด่าเหินเดือน กามานีคือกันนั่นแหละว่าวให้มูฟั่งจังสั่นจังสีเรื่องสวรรค์นิพพานอีกอย่างก็คือกันกำก้นอยู่บนดินแล้วก็ไปอธิบายดวงดาวในสองฝาจักว่ามันถี่นี่หนูพันสันฐานเป็นแบบใดแต่อธิบายให้กันฟั่งตัวเองกันยังบอท่านขึ้นไปเหยียบดาวจักเครือแต่ว่าหักอยากเบ้าพอวิสัยของคนมักเบ่ามันเป็นยังสั้นอันนี้ก็ขอให้เข้าใจเมื่อหลังจากได้มาทำควมเข้าใจปฏิบัติธรรมะน้ำหลวงพอเป็นเวลาหกหมื่นในภาษาพอวัดจัตตาหามาทรงพระมาตรงเน้นมาในพภาษามาสามสุด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 การปล่อยว่างอีกย่างต่างๆนี่ถือว่าเป็นกิเลสอันตรา ย, ยจ้ะกิเลสเป็นอันตรายบางที่กับมากพอมาปฏิบัติแล้วก็เกิดลังเลสงสัยในตัวผู้บาอาจารย์บอกจริงบพน้อ จ, งอจังสันจังสีแล้วมาปฏิบัติเสียเวลาเวอยู่บ้านอยู่ซองเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กิเลสเงินเกบาดทิบบาดหรือว่าถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์กับสวดนาคบ่หรือว่าไปกรรมฐานบอกกับกิเลสที่หาบาดทิบบาดก็สิบบส่พ่อผสมประเสไปค่วมห่วงในหลับสกัลลาก็มีค่วมลังเลสงสัยก็มี นี่มันเป็นนิวรอนเขาขอบงาํากันการจิตบ่อยบรรุค่วมดีและอีกอย่างนึงกัาากุกอุตจักกูกุจักค่วมปุ่งสั่นและลําค้นอยู่กับงุดยิดใจเดียวกับลำขั้นผู้นั้นเดี๋ยวยุเขาก็ไปพ่อเขาเจ้าของก็ไปคือสร้างเขาอยู่พอบนั้นอันเรื่องนี้แย่มีเรียกว่าอุตจากักกูกุจกักงุดยิดแม่ก็ตั้งในยินเสียงไว่บอกอยิ้งกับลาคั้นอันนี้เขาต้องหูให้ท่านเมื่อหูให้ท่านแล้วพญ่ำมใส่จิตดูจิตเอาสติเบื้งจิตแล้วอารมณ์ต่างๆเนี่ยไปพยามตามมให้ทัน